โครงสร้างใหญ่ๆท่านเทวตมาได้กล่าวมา น, นี้ให้ชัดเจนก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วถึงจะเริ่มปฏิบัติภาวนาแล้วการปฏิบัติของเราจะได้ไม่ผิดทางจะได้ไม่หลงทางจะได้เข้ามาอยู่ในหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการปฏิบัติของเราก็จะค่อยๆเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลาดับ แปลว่าเราค่อยๆสามารถดับทุก์ได้เป็นไปตามลาดับถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติในห้นทางที่ถูกต้องแล้วพ้นทางการดับทุกได้จริงๆนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องศึกษาทงความเข้าใจในสิ่งที่พระสมาะตทุติเจ้าได้ตรัสสอนเราวที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรนี่ เพราะฉะนั้นเมื่อรวมความแล้วในการปฏิบัติภาวนาของเรานั้นรวมลงมาสู่ในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาสําหรับคารวะนั้นถ้าเราผู้ใดไม่ได้สมาทานนิจศีไลไว้แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่จะทําการภาวนาให้เราสมาทานนักขณะนั้นการสมาทานศีล น, นักขณะนั้นก็ไม่ยากอะไร เพียนแต่ตั้งเจตนางดเว้นถ้าศีล5้าก็งดเว้นบาปห้าประการนี้ถ้าเป็นศีลแก็งดเว้นบาปหประการนี้รวมทั้งที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นศีลพรหมจรรย์อีก3ข้อถ้าใครจะสมาทานศีล5ก็ได้ศีลแปก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าจะต้องมีศีลแต่ว่าจะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยสมาธิมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ มันจะเกิดขึ้นไม่ได้และเมื่อมีสมาธิแล้วเราก็ต้องทำสมาธิให้ถึงให้สมบูรณ์ซะก่อนทำสมาธิให้สมบูรณ์ซะก่อนแล้วถึงจะก้าวขึ้นไปสู่ภาพปัญญาคือวิปัสสนาคือวิปัสสนาต่อไปเะนั้นต่อจนนี้ก็จะขอสรุปในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิ เอาแค่ขั้นสมาธิก่อนยังไม่ถึงขั้นปัญญายังไม่ถึงขั้นวิปัสนาทบทวนจะทบทวนเรื่องการปฏิบัติสมถภาวนาหรือสมาธิภาวนาก็คือการทำจิตของเราให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นก่อนผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติโปรดฟังให้ดีในการปฏิบัติ สมาธิครั้งแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธินั้นมีขั้นตอนในการปฏิบัติง่ายๆสีห้าขั้นตอนแรกส5หขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเรื่องของศีลอย่างที่อาตมาได้กล่าวไปแล้ว ถ้าผู้ใดยังไม่ได้สมาทานนิจศีณเอาไว้นิจศีลคือศีลประจําเลยสมาทานตลอดเลยถ้าใครไม่ได้สมาทานเอาไว้ก็สมาทานน า, นาขณะที่นั่งโดยการตั้งเจตนางดเว้นอย่างน้อยก็คืองดเว้นการทําบาปห้าประการบาปห้าประการนั้นคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในการมการพูดปดและการเสพสุราของมึนเมาเราตั้งเจตนางดเว้นเลยว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าของดเว้นขอเว้นเด็ดขาดจากการฆ่าสัตว์ขอเว้นเด็ดขาดจากการลักทรัพย์ขอเว้นเด็ดขาดจากการประพฤติผิดในกามขอเว้นเด็ดขาดในการพูดปดขอเว้นเด็ดขาดในการเสพสุราของมึนเมาก็จะเกิดเป็นศีลขึ้นมาเมื่อ มีศีลแล้วขั้นต่อไปก็ขั้นที่สองก็คือให้ตัดความกังวลใจใดๆทั้งสิ้นออกเสียในขณะที่เรานั่งภาวนานี้นั่นก็คือเป็นการกระทาทางกายทางวาจาทางใจของเราให้เกิดความเปล่าเปลี่ยวให้เกิดความวิเวกให้เกิดความเปล่าเปลี่ยวเป็นการตัดความกังวลใจใดๆทั้งสิ้นออกเสีย โดยที่ไม่ต้องห่วงใครทั้งนั้นในขณะที่นั่งนี้ตัดออกชั่วคราวเสียอย่าไปคิดห่วงใครอย่าไปคิดห่วงบ้านอย่าไปคิดห่วงสามีอย่าไปคิดห่วงพัญยาอย่าไปคิดห่วงลูกหรืออย่าไปคิดห่วงใดๆทั้งสิ้นยิ่งสามารถทำจิตของเรากำหนดจิตเราให้ได้ว่าบัดนี้มีตัวเราคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้เพราะ เมื่อตอนที่เราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวเมื่อตอนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเราก็ต้องตายคนเดียวเราไปคนเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งภาวนานี้ตัดความกังวลใจใดๆทั้งสิ้นออกเสียอย่าให้มีความกังวลใจใดๆทั้งสิ้นเหลืออยู่ถ้ายังมีความกังวลใจใดๆเหลืออยู่แล้วจิตของเราจะไม่สามารถที่จะสงบเป็นสมาธิได้เอาเฉพาะในช่วงที่เรานั่งนี้ ทำจิตทําใจของเราให้เกิดความวิเวกให้เกิดความเปล่าเปรี่ยวสัปัดความกังวลใจเอาไปเสียเราจะกระทาความดีและผลของความดีนั้นมันก็จะไปถึงทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดแหละอา น, นิสงก็จะไปถึงกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดแหละมันเราไม่ได้ปลีกตัวเราตัวเราคนเดียวไม่ได้เห็นกับตัวเราไปคนเดียวเมื่อเราก็ทําความดีอย่างนี้แล้วเนี่ย ผลความดีมันไปถึงเขาเหล่านั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่า้เราปไปตัวมาคนเดียวไม่เห็นกับตัวไปหรือไม่ใช่อา น, นิสงส์จากการกระทําของเรานั้นไปถึงเขาเหล่านั้นทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปกังวลใจใดๆทั้งสิน้นนี่คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สาม ให้พยายามทำจิตทำใจของเราในขณะนี้ให้เป็นมหากรุณาธิตให้เป็นมหากรุณาธิตทำอย่างไรถึงจะให้จิตของเราเป็นมหากรุณาธิตนั่นก็คือทำจิตของเราให้เกิดความโสมนัตยินดีในบุญในกุณาที่เราได้เคยประกอบมาแล้วเราเคยประกอบบุญกุณลอะไรมา แม้กระทั่งจนการให้ทานก็ดีการถวายทานก็ดีการใส่บาตรพระก็ดีการเคยรักษาศีลอาไว้ก็ดีหรือการภาวนามาแล้วก็ดีนั่นเป็นบุญทั้งนั้นทําจิตของเราให้เกิดความโสมนัตยินดียินดีในบุญในกุศลอนั้นแล้วจิตของเราขณะนี้ก็จะเป็นมหากุศลนจิต ทำไมในการภาวนานี้จึงต้องให้จิตเป็นมหากรุสุนทจิตด้วยหล่ะเหตุทั้งนี้เพราะว่าสมาธิที่เราต้องการนั้นการเราต้องการให้จิตของเราเกิดความสงบเป็นสมาธินั้นเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิชอบเพราะว่าในมรรคมีองค์8นั้นคือสัมมาสมาธิสมาธิชอบสมาธิชอบหรือสัมมาสมาธินี้จะเกิดได้แต่เฉพาะจิต ที่เป็นมหาคุศสนิจิตเท่านั้นจะเกิดขึ้นได้แต่เฉพาะจิตที่เป็นมหาคุศสนิจิตเท่านั้นถึงจะเกิดเป็นสมมาสมาธิสมาธิชอบได้ถ้ายังไม่ใช่จิตยังไม่เป็นมหาคุศสนิจิตแล้วสมาธิที่จะเกิดมานั้นอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิได้เป็นสมาธิที่ผิดหรือสมาธิที่ไม่ชอบได้ ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องทําจิตของเราให้เกิดความสงบทําเกิดทําให้จิตของเราเป็นมหากุศลจิตโดยการทําจิตของเราให้เกิดความโสมนัสจินดีในบุญอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราได้เคยประกอบมาแล้วแต่ในอดีตเมื่อทําจิตของเราให้เกิดความโสมนัสจินดีในบุญอันนั้นแล้วจิตของเราก็จะเป็นมหากุศลจิตนี่คือขั้นตอนที่สในการภาวนา ขั้นตอนที่สี่ในการภาวนานั้นก็คือท่านให้เราระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสมมาผู้เจ้าตรัสว่าพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เท่านั้นที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า เพราะพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี้สามารถที่จะนำเราไปสู่ความดับทุก์ได้ไปสู่ความออกจากทุก์ในสังสารวัตนี้ได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงให้เราระลึก ถ, ถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยให้เราบริกรรมภายในใจว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆ พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสครั้งแล้วต่อไปนี้ในขั้นตอนที่5ก็คือให้เราบริกรรมคำว่าพุทธโธคำเดียวพุทธพร้อมให้ใจเข้าโธพร้อมให้ใจออกโดย พยายามอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกพยายามอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกพยายามอย่าไปคิดถึงอดีตอดี ต, ดตคือสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งที่ล่วงมาแล้วให้แล้วเลยไปสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั้นมันเป็นเพียงแค่สัญญาความจำเท่านั้นสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั้น มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วดีมันดีไปแล้วชั่วมันชั่วไปแล้วเพราะฉะนั้นในขณะภาวนานี้อย่าส่งจิตไปในอดีตอย่าส่งจิตไปในอดีตอีกประกาศหนึ่งทำนองเดียวกันอย่าส่งจิตไปในอนาคตอนาคตเป็นสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง อนาคตเป็นสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงมันจะเป็นจริงหรือไม่ยังไม่รู้มันอาจจะจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นขณะที่เรานั่งภาวนานี้ตัดอนาคตไปเสียให้อยู่กับปัจจุบันเอาจิตไว้กับปัจจุบันอะไรคือปัจจุบันลมหายใจนี้แหละเป็นปัจจุบัน ลมหายใจนี้แหละเป็นปัจจุบันเพราะนั้นการที่เราเอาจิตไปจับไว้กับลมหายใจนั้นถูกต้องแล้วเป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้เผลอสติเราก็ใส่พุโทโธเข้าไปอีกพุทพร้อมหายใจเข้าโทรพร้อมหายใจออกให้มันพอดีพอดีกันพุทตั้งแต่เริ่มเข้า สุดถึงสุดข้าวก็พูดจบพอดีโทเริ่มให้ใจออกสุดออกก็จบพอดีให้พอดีพอดีกันพูดโทรพูดโทตั้งสติให้เข้มแข็งสติเป็นตัวควบคุมจิตสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นถ้าสติเข้มแข็งดีแล้วจิตก็จะไม่ออกไปข้างนอก จิตก็จะไม่ไปในอดีตจิตก็จะไม่ไปในอนาคตจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นถ้าสติเราเข้มแข็งดีแล้วจิตเราก็จะจับอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันก็คือพุทธให้ใจเข้าโทให้ใจออกจะไม่รับแส้สายไปรับอารมณ์ทางอื่นถ้าจิตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนี้ นั่นแปลว่าจิตเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเราก็จะเริ่มเกิดความสงบเป็นสมาธิถ้าจิตอยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างนี้จิตเราก็จะเริ่มสงบเป็นสมาธิสมาธินั้นมีอยู่สามขั้นขั้นต้นเรียกว่าคณิกสมาธิ ขัณฑิกาสมาธิคือสงบชั่วขณะหนึ่งชั่วครู่หนึ่งนั่นก็คือจิตเราอาจจะยังส่งออกไปข้างนอกอยู่พอจิตจับอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วอาจจะยังส่งไปข้างนอกอยู่หรืออาจจะส่งไปในอดีตหรือจะส่งไปในอนาคตคือสงบแช่แค่ขณะหนึ่งให้เราใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาแล้วเพิ่มกําลังสติให้มากขึ้นอีก ใช้พุโทโธดึงกลับเข้ามาให้เพิ่มกำลังสติให้มากขึ้นอีกตั้งสติให้เข้มข้นขึ้นอีกให้จิตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันคือพุทให้ใจเข้าทโทให้ใจออกถ้าเราเพิ่มกำลังสติขึ้นอีกแล้วจิตก็จะสงบได้นานขึ้นได้นานขึ้นเรียกว่าอุปจาระสมาธิเรียกว่าอุปจาระสมาธิสงบได้นานขึ้น นี่คือได้ขั้นที่สองได้ขั้นที่สองคืออุปจารสมาธิต่อจากนั้นให้เพิ่มกําลังสติขึ้นอีกเชั่วเพิ่มกําลังสติขึ้นอีกเมื่อเพิ่มกําลังสติขึ้นอีกแล้วจิตเราก็จะเลื่อนขึ้นไปในสมาธิขั้นที่สขั้นสุดท้ายเรียกว่าอัปปนาสมาธิเรียกว่าอัปปนาสมาธิคือจะสงบได้นานขึ้น เรารู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้จิตเราสงบถึงขั้นอัปนาสมาธิขั้นที่สามได้นานรู้ได้โดยเริ่มต้นลมคำบริกรรมพุทโธจะค่อยๆหายไปคำบริกรรมพุทโธจะค่อยๆหายไปถ้าเรามีสติเข้มแข็งดีแล้วเราจะรู้ว่าคำบริกรรมพุทโธหายไปตอนไหนถ้าเรามีสติเข้มแข็งดีแล้ว เราจะรู้ว่าคำบริกรรมพุทโธหายไปตอนไหนเมื่อคำบริกรรมพุทโธหายไปนั้นถูกต้องแล้วอย่าไปดึงพุทโธกลับมาอีกคำบริกรรมพุทโธหายไปนั้นถูกต้องแล้วอย่าไปดึงพุทโธกลับมาอีกแต่ให้ย้ายสติไปจับไว้กับตั้งสติไปจับไว้กับลมอย่างเดียวตั้งสติจับไว้กับลมหายใจอย่างเดียว โดยลมหายใจเข้าให้รู้ลมหายใจออกให้รู้จับไว้ให้มั่นเชียวจับไว้ให้มั่นเชียวจับลมไว้ให้มั่นเชียวลมเข้าให้รู้ลมออกให้รู้เข้าให้รู้ออกให้รู้ถ้ามีสติดีจะสังเกตเห็นว่าลมหายใจนั้นจะค่อยๆแผ่วลงและทีขึ้นค่อยๆแผ่วลงและทีขึ้นเอาสติจับไว้กับลมนั้น ให้รู้อยู่ตลอดเวลาอย่าให้พลากจากกานได้เกลียวลมเข้าให้รู้ลมออกให้รู้เข้าให้รู้ออกให้รู้จนในที่สุดถ้าสติเรามั่นคงดีแล้วลมหายใจจะขาดวุดหายัดถ้าสติเรามั่นคงดีแล้วเราจะรู้ได้ว่าที่ลมหายใจมันขาดหายไปนั้นน่ะมันขาดหายไปตอนไหนตอนลมเข้าหรือลมออกจับให้ได้จับให้ได้แสดงว่าสติเราดีจับให้ได้ นั่นนหละพรมหายใจขาดพืดหายไปนั่นแหะเรียกว่าเราอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิในขั้นสูงแล้วต้องให้ถึงขั้นนี้ต้องให้ขั้นนี้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิอย่างนี้ในภาคสมถะภาวนาต้องให้ถึงขั้นนี้นี่คือเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติสมถะภาวนาให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิมีอยู่ห้าขั้นตอนอย่างนี้ทบทวนขั้นตอนที่หนึ่งเรื่องของศีล ขั้นตอนที่สองเรื่องของการตัดความกังวลใจขั้นตอนที่สามเรื่องการทำจิตของเราให้เกิดเป็นมหาภูสุนจิตขั้นตอนที่สี่ก็คือการรึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยขั้นตอนที่5ก็คือใช้สติจิตจับไว้กับองค์ภาวนาพุทธให้ใจเข้าโทให้ใจออกอย่างนี้นี่คือห้าขั้นตอนของการปฏิบัติสมถภาวนาในการปฏิบัติสมถภาวนานี้มีข้อควรระวัง ข้อควรระวังอยู่สข้อที่สำคัญข้อควรระวังประการที่หนึ่งก่อนภาวนานั้นอย่าได้ไปตั้งความหวังใดๆทั้งสิ้นอย่าไปตั้งความหวังใดๆทั้งสิ้นอย่าไปตั้งความอยากใดๆทั้งสิ้นว่าอยากจะให้จิตมันสงบถึงขั้นนั้นขั้นนี้อะไรต่างอย่าไปตั้งความอยากใดๆทั้งสิ้น ถ้าตั้งความหวังความอยากแล้วจิตของเราจะไม่สามารถสงบเป็นสมาธิได้เพราะอะไรเพราะทั้งนี้มันยังมีตัณหาความอยากอ ย, กอยู่ถ้าตราบใดมีตัณหาความอยากอ ย, กอยู่ตราบนั้นจิตจะไม่สามารถสามารถสงบเป็นสมาธิได้ประการที่2ข้อคุณระวังประการที่สองในการที่จิตของเราสงบในขั้นตอนที่2ที่เรียกว่าอุปจารสมาธินั้นบางคนแปลบางครั้ง อาจจะเกิดภาพนิมิตต่างๆเกิดขึ้นภาพนิมิตนั้นอาจจะเป็นแสงสีต่างๆหรืออาจจะเป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตาในมองเห็นได้แต่อย่าลืมว่าภาพนิมิตนั้นก็คือภาพนิมิตเป็นเพียงแค่เครื่องหมายแสดงเท่านั้นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริง ภาพนิมิตนั้นเป็นเพียงแค่มานยาหลอกลวงเท่านั้นเป็นเพียงแค่มานยาหลอกลวงเท่านั้นไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นในการที่เราเห็นภาพนิมิตต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นน่ารักหรือน่าเกลียดน่ากลัวอย่าไปสนใจอย่าไปกลัว ไ, ได้ทั้งสิ้นอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายในภาพนิมิตเหล่านั้น ปล่อยให้มันผ่านไปเพียงแต่กาหนดจิตว่ารู้เท่านั้นกาหนดจิตว่ารู้แล้วว่าเห็นแล้วไม่สนใจเพราะให้เข้าใจว่านั่นคือไม่ใช่ของจริงเป็นภาพมารยาหลอกลวงเท่านั้นถ้าหากว่าเราติดอยู่ในภาพนิมิตแล้วเราจะติดอยู่ในสงบแค่นี้เองอยู่ในแค่ขั้นอุปจาระเท่านี้เองไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นอัปนาสมาธิได้ไม่ได้ประโยชน์อะไร จะทําให้จิตเราไม่สามารถที่จะสงบถึงขั้นอัปนาสมาธิได้นี่คือข้อควรระวังประการที่สองที่2ในเรื่องภาพนิมิตอย่าไปสนใจข้อควรระวังประการที่สเมื่อจิตเราสงบถึงขั้นอัปนาสมาธิลมหายใจขาดหายไปนั้นบางคนไปกลัวกลัวว่าเมื่อลมหายใจหายไปนั้นไม่ตายหรือหรือกลัวว่าเมื่อลมหายใจหายไปนั้นจิตวิญญาณออกจากร่างไป เดี๋ยวจะกลับมาเข้าร่างไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดแท้จริงนั้นลมหายใจเขามีอยู่เป็นปกติแต่จิตเขาสงบเขาพักงานแล้วเขาไม่รับรู้ด้วยเขาไม่ไปรับรู้เรื่องลมหายใจด้วยเขาสงบตามปกติพระเจ้าตรัสว่าหน้าตรงจุดนี้นะ่ะกายสังขารมันดับ ลมหายใจมันปรุงแต่งกายเมื่อกายสังขารมันดับลมหายใจมันดับแต่ว่าตามปกติมันมีอยู่เป็นปกติจิตเราไม่ได้ไปรับรู้ด้วยเท่านั้นเองนั้นอย่าไปกลัวตายแล้วอย่าไปนึกถอนถ้าไปนึกถอนถ้าไปกลัวตายแล้วจิตมันจะถอนกลับมาเลยพอถอนกลับมาแล้วต่อไปโอกาสข้างหน้าจะทำจิตให้สมบถึงขั้นอั ป, ปนาสมาธินี้เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมาก คนบุคคลที่ปฏิบัติแล้วไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดไม่รู้มาก่อนพอถึงจิตสงบขั้นอัปนาสมาธิลมหายใจมันขาดหายไปตกใจกลัวจิตมันก็เลยถอนออกมาเลยจิตมันถอนออกมาเลยแลวต่อไปนี้จะเข้ายากมากนั้นอย่าไปกลัวตายลมหายใจมีเป็นปกติให้เข้าใจว่าขณะนั้นจิตเขาพักงาเขาไม่ไปรับรู้ด้วยนี่ประการที่สาม ประการที่สี่ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากที่สุดประการหนึ่งก็คือเมื่อจิตสงบถึงขั้นอัปนาสมาธิลมหายใจขาดหายไปแล้วนั้นตอนนี้จิตจะมีทางแยกสองทางทางหนึ่งคือมาทางสมาธิโดยมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลามีตัวรู้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าขณะ น, นี้ลมหายใจขาดหายไปแล้วไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในร่างกายนี้เลย แต่จิตมันโดดเด่นขึ้นมามันรู้อยู่ตลอดเวลามีสิ่งภายนอกไม่ว่าจะมีเสียงข้างนอกไม่ว่าจะมีลมมาะทะใบหน้าปะทะแขนข้างนอกมาเหตุการณ์ต่างๆภายนอกรู้หมดเพราะตัวรู้ตัวนี้มันเด่นขึ้นมาตัวรู้ตัวนี้มันเด่นขึ้นมามันจะรู้ทั้งหมดเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทางที่ถูกต้อง มีตัวรู้อยู่ส่วนอีกทางหนึ่งนั้นจิตอาจจะหลบเข้าไปในทางเรียกว่าะวังขจิตหลบเข้าผวังขจิตเมื่อจิตหลบเข้าผวังขจิตนั้นน่ะจิตจะดิ่งเงียบลึกหายไปเลยจิตดิ่งเงียบลึกหายไปเลยเพราะในะวังขจิตนั้นมันมีสุขมากและจิตก็พยายามที่จะมาทางนี้อยู่แล้วมีแนวโน้มที่จะมาทางนี้อยู่แล้ว จิตมันชอบที่จะมาทางพระวังก็จิตอยู่แล้วเพราะในพระวังก็จิตนั้นมันสุกมากมันสุกมากแต่ตัวรู้มันหายไปตัวรู้มันหายไปมันผิดตรงนี้มันผิดตรงนี้ที่จริงนั้นน่ตัวรู้ตัวนั้นน่คือตัวจิตนั่นเองตัวรู้นั่นคือตัวจิตนั่นเองเราขณะนี้อย่าลืวมว่าเรากาลังจะอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญา เตรียมที่จะอบรมจิตให้เกิดปัญญาถ้าจิตมันหายไปแล้วนี่นะแล้วเราจะไปอบรมใครจิตมันหายเข้าไปสู่ผวังเพราะว่าในพวังกับจิตนั้นมันมีสุขมากเมื่อจิตมันหายไปแล้วไอ้ตัวรู้มันก็หายไปไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอะไรจะเป็นตัวคอยที่จะควบคุมให้จิตมาทางถูกมาทางสมาธิหรือไม่ให้ไปทางผิดไปทางผวังกับจิตตัวสติตัวเดียว ตัวสติตัวเดียวเป็นตัวป้องกันไม่ให้จิตเข้าพวังขจิตนั่นก็คือถ้าสติเข้มแข็งดีสติจะอยู่ทางด้านสมาธิมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าสติอ่อนเมื่อไหร่จิตจะหลบเข้าพวังขจิตดิ่งเงียบลึกหายไปเลยผิดทางผิดทางนิยมนะต้องพยายามใช้สติให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นในการภาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นสมถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาตัวสติเป็นตัวที่สำคัญที่สุดตัวสติเป็นตัวที่สำคัญที่สุดต้องมีสติเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาต้องมีสติเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาถ้าสติอ่อนแล้วการภาวนาของเรานั้นมันจะไม่ได้ผลเลยไม่ว่าจะเป็นในขั้นสมถภาวนาหรือในขั้นวิปัสนาภาวนาตัวสติเป็นตัวสำคัญที่สุด ตัวสติเป็นตัวสำคัญที่สุดนี่คือข้อควรระวังสี่ประการในขั้นสมถภาวนาคือการภาวนาให้จิตของเราเกิดความสงบเป็นสมาธิและเราต้องการสมาธิในขั้นสุดท้ายคือขั้นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตของเราสงบนี่ถึงในขั้นอัปปนาสมาธินี่แล้วโปรงจัดว่าต่อไปนี้จิตของเราเป็นจิตที่สมควรแก่การงาน เป็นจิตที่สมควรแก่การงานเป็นจิตที่อ่อนโยนเป็นจิตที่สมควรแก่การงานถ้าเราสามารถทำถึงแค่นี้ได้เราก็นำมาสามารถนำจิตของเราขนาดนี้เนี่ยเอามาใช้ในทางโลกก็ได้เมื่อเรานำจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้มาใช้ในทางโลกแล้วเนี่ยจะทำให้เราผู้ที่เรียนหนังสือก็จะเกิดความจำดีมีไหวพริบดีขึ้นมีไหวพริบดีขึ้น ในการใช้วิจารณญานในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นไปด้วยละเอียดสุ ข, ขุมรอบคอบนี่เอาไปใช้ในทางโลกได้เอาไปใช้ในทางโลกได้เพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นจิตที่สมควรแก่การงานอย่างยิ่งเพราะเป็นจิตที่อ่อนโยนมีความสงบดีมากเพราะในการที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความสุ ข, ขุมรอบคอบส่วนในทางธรรมนั้นเราจําเป็นต้องให้จิตถึงขั้นนี้เพราะ เราจะเอามาในการปฏิบัติมาเป็นบาทเป็นเบื้องต้นเป็นฐานในการปฏิบัติวิปัสนาต่อไปถ้าจิตยังไม่ถึงขั้นนี้เรายังไม่สามารถปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความสงบเป็นปัญญาได้เพื่อจิตเกิดปัญญาได้ต้องผ่านจิตที่สงบถึงในขั้นอัปปนาสมาธินี้เสมอทุกครั้งที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาจะต้องกระทาจิตน้อยเกิด ค, ความสงบเป็นสมาธิถึงในขั้น ภาวนาสมาธินี้เสมอนี่แหละคือการภาวนาในขั้นสมถภ า, าวนาเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะขอพูดจบไว้ถึงแค่ขั้นนี้ก่อนแค่ขั้นสมถาวิภาวนาก่อนส่วนในเรื่องของวิปัสสนาก็จะได้พูดในโอกาสต่อไปสําหรับในวันนี้ก็ขอพูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้ว ก, กันต่อจากนี้ไปเผื่อท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะถามที่จะถามปัญหาก็ขอให้ถามได้ หรือท่านผู้ใดจะนั่งภาวนาไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ท่านผูจะถามก็ถามได้ถามปัญหาเรื่องราวอะไรนี่คือหลักการที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้หลักการที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้มันก็เปรียบเทียบกับเราดูว่าในขณะนี้เราปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรคือสุดท้ายนั้นเราต้องการตัวปัญญาแหลปปัญญานั้นจะไปเห็นอย่างอื่นผิดทั้งหมดต้องเป็นปัญญาเห็นรูปนามขันห้านี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเท่านั้น ปัญญาอย่างอื่นนอกจากนี้แล้วดับทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้ต้องปัญญาเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างอื่นมันผิดทั้งหมดอา้าวใครจะถามปัญหาก็เชิญมีเวลา ท่านว่าไงเคยปฏิบัติมายัางไงแล้วก็ถึงถึงแค่ไหนอย่างไรอยู่แค่ไหนติดอยู่แค่ไหนอย่างไรจิตสงบถึงถึงขั้นไหนบ้างจิตสงบดีไหมแต่ยังไม่ยังไม่หาย คำบริกรรมหายไหมคำบริกรรมพุโทโธหายก็ดีแล้วนิยมดีแล้วก็ไม่เป็นไรนั่นแหละถ้าเราทำบ่อยๆไปมันก็จะนั่นไปเองดีแล้วที่คำบริกรรมหายไปนะันถูกต้องแล้วเพียงแต่เอาสติจับไว้ที่ลมอย่างเดียวจับไว้ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าให้รู้ลมออกให้รู้ลมเข้าให้รู้ออกให้รู้อยู่อยู่อย่างนั้นแล้วลมหายใจมันจะขาดวุฒิหายไปเอง ลมห้ยใจมันจะขาดพูดหายไปเองคือตอนนี้ทางร่างกายไม่เป็นไรยโยมถ้าร่างกายมันปวดมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนได้คือการปฏิบัติของเราในขณะนี้มันเป็นการปฏิบัติการงานทางจิตเราถือว่าทางจิตนี่เป็นส่วนสำคัญส่วนทางร่างกายมันจะเป็นยังไงเราก็ปล่อยมันไปถ้ามันปวดมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนท่าได้ไม่เป็นไรแต่ให้ให้ถูกต้องในขั้นตอนอย่างนี้ พรมําบริกรรมหายแล้วแล้วก็